คำว่ากสินเนี่ยนะมีหลายความหมายนะหนึ่งดวงกสินที่แผ่ไปอดวงกสินด้วยสามารถแห่งการแผ่ไปในอารมณ์ทั้งสิ้นก็ดีนิมิตที่ปรากฏที่ดวงกสินก็ดีฌานนั้นอ่ะฌานกสินนั้นมีอารมณ์นะฌานที่มีกระสินเป็นอารมณ์ก็ดีทั้งหมดเนี่ยทั้งสามอย่างก็เรียกว่ากสิน คือตัวตัวดวงกสินนะนะสมมติถ้าใครเจริญกรสินใช่ไหมก็จะมีดวงกสินก่อนลําดับแรกนะอันนี้ดวงกสินอันนี้ก็เรียกว่ากสินเหมือนกันพอเจริญไปแล้วมีนิมิตเกิดขึ้นอ่ะตัวนิมิตที่เจริญกสินพวกนั้นก็เรียกว่ากสินเหมือนกันฌานที่มีกสินเป็นอารมณ์ตัวฌานนั้นก็ยังเรียกว่าเรียกว่ากสินเหมือนกันเพราะฉะนั้นในที่นี้ประสงค์เอาฌานที่มีกสินเป็นอารมณ์ทั้นกสินสิบที่เรากําลังพูดถึงหมายถึง ฌานที่มีกสินเป็นอารมณ์ไม่เอาฌานนาจิตนะพรเดี๋ยวว่าตัวกสินนะน่ะนะกสินเนี่ยเช่นเป็นนิมิตเนี่ยนิมิตตัวนั้นเกิดมาจากสัญญาไปพิจารณาเป็นอริยสัจไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องฌานที่มีกสินเป็นอารมณ์จึงจะพิจารณาโดยอริยสัจได้ในที่นี้ประสงค์เอาฌานสี่จริงๆก็ฌานที่หนึ่งสองสามสี่นะที่มีมหาพูดกสินเป็นอารมณ์เป็นเบื้องต้น คือมีปัวีมีปัทวีเป็นอารมณ์มีอาโปเตโชวายโยเป็นอารมณ์ก็มีสี่แล้วก็สีวันนะกะสินอีกสี่เพราะในหน้าอะไรหน้าห้านะเอกสารหน้าห้าที่พูดถึงกสินสิบเนี่ยนะปัทวีกสินอาโปกสินเตโชกสินวาโยกสินนี้เรียกว่าวันนะกะสินมีนละกะสินปีตะกสินปีตะ กสินโลหิตะกสินโอทาตกสินพวกนี้เป็นวันนะกระสินนะครับถ้าจํากระสินสิก็จำไม่ค่อยยากกันนะพวกธาตุสีกับสีสี่ประเภทก็เป็นกสินแปดแล้วอากาศและวิญญาณดังนั้นปฐวีกสินเนี่ยกับวันนะกระสินกสินแปดเนี่ยเป็นอารมณ์ของฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่เนี่ยนะเป็นอารมณ์ของฌานสี่ได้ทั้งหมดเลย แต่ว่าในที่นี้ปัทวีกสินหมายถึงฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่ที่มีปัทวีเป็นอารมณ์ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่ที่มีอาโปเป็นอารมณ์มีเตโชเป็นอารมณ์ว่ายโยเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นเพราะคําว่ากสินตรงนี้หมายถึงฌานที่มีกสินเป็นอารมณ์เนี่ยนะส่วนอากาศกสินเนี่ยนะก็แบบหนึ่งปริเฉธอากาศสองฌานที่มีปริเชธาอากาศนั้นเป็นอารมณ์ สามกสินุคาติมากาศสี่อากาศานัญจายตนะที่มีกสินุคาติมากาศเป็นอารมณ์นี้เรียกว่าอากาศกสินคำว่าอากาศกสินตรงที่ในที่นี้เนี่หมายถึงน่าจะหมายถึงอากาสานัญจายตนะที่มีกสินุคาติมากาศส่วนอากาศข้างบนเนี่ยนะก็คือกลุ่มอะไรอะโลกสินนะอากาศกสินกับอโลกสินเข้ากันไหม แต่ที่เห็นเห็นเลยก็คืออากาสารัญญาเยตนะใช่ไหมมีเกินุคาติมากาศคงพอทบทวนได้นะว่าวันนักมหาพูดกสินหาพูดเกสินมีสี่วันนักเกินมีสี่หาพูดก็ปัทวีอาโปเตโชวาโยวันนกสินสี่คือนีลกษินอะไรปีตีตะกสินแล้วก็ โลหิตากะสินโอทาตากระสิ น, น, นก็หมายถึงชามที่ชามที่เท่าไหร่ชามที่หนึ่งถึงสี่ชามที่หนึ่งถึงสี่พวกกสินเนี่ยนะสมมติว่าใครที่เจริญกสินเนี่ยกัตวีกสินเนี่ยขยายขยายได้ที่สุดเท่าที่จะขยายได้ขยายกระสินนะมีห้องที่อนัอนุภาพของกสินแผ่ไปใช่ไหม ก็ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนถัดฉายหนังเนี่ยนะเอาเป็นจอเนี่ยคลี่ไปมากที่สุดเท่าที่จะคลี่ออกได้พอคลี่ได้พับก็เหมือนกับว่าไม่ใส่ใจในก๊าเรียกว่าเหมือนกับเพลกออกนะก็นเหลือแต่ช่องว่างนะเหลือแต่อากาศเป็นมันเป็นอากาศพิเศษที่ไม่เหมือนอากาศ ธ, ธรรมดานเนี่ยมัน <c oughs> เป็นอากาศที่เกิดจากการเพลกก๊ิลนอากาศตัวนั้นเกิดจากสัญญาสกนเพราให้มนัสการกาซิลนไม่มนัิการว่ากสิลนจึงมีแต่อากาศ ทีนี้อากาศอันนั้นเป็นอารมณ์เรียกว่าอาตตาจัยเนี่ยนะอาปัจจัยของฌานฌานที่มีอากาศที่เพิกกสินเสร็จแล้วเป็นอารมณ์เนี่ยนะอันนี้เรียกอะไรอากาสารัญจายตนะเนี่ยนะอากาสารัญจายตนะฌานเพราะมีอ่าเรียกว่าอากาศที่เกิดจากการเพิกกสินเนี่ยแปลเป็นบาลีว่ากรสี นคาติมากาเนี่ยนะก็คือกระสินอ่ะ น, นะก็บวกเรียกว่าอะไรนะอุคาติอ่ะ น, นะอุคาติมาอ่ะ น, นะกับอากาศใช่ไหมก็อากาศเนี่ยนะอากาศที่เกิดจากการเพิ่มกระสินอากาศการเพิ่มกสินนี่แหละเรียกว่ากระสินุคาติมากาศ ซึ่งเพิกจากกสินได้ทั้งแปดอย่างเลยเพิกจากอะไรก็ได้แปดอย่างนนก็นี้เมื่อเข้าฌานก็มีอากาศสารัญจายตนะฌานเป็นอารมณ์นะโดยที่มีอากาศนี้เป็นเป็นอารมณ์พวกที่ได้อากาศสารัญจายตนะฌานอันนี้พานอันนี้แล้วก็ไม่มรรสการอากาศและมากําหนดฌานนี้ให้เป็นอารมณ์แล้วได้ฌานอีกฌานหนึ่งขึ้นมาฌานนี้เรียกว่า วิญญาณนันจายตระณะซึ่งมีออเจิตตัวนี้จิตตัวนี้เรียกว่าวิญญาณกสิ น, นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าวิญญาณกสินนะอากาสารนันจายตนะะเนี่ยนับว่าเป็นวิญญาณกสินพอได้ฌานอย่างนี้ปั๊บก็น่อยหนึ่งก็ไม่มีไม่ใส่ใจโดยความเป็นฌานนะไม่มีบัญญัติว่าว่าจิตเจตสิกอ่ะไม่ใส่ใจโดยความเป็นจิตเจตสิกว่า หน่อยหนึ่งก็ไม่มีจิตเจตสิกนิดเดียวก็ไม่มีเป็นนัตถิภาวะบัญญัติอันนั้นเรียกว่านัตถิภาวะบัญญัติบัญญัติที่ไม่ใส่ใจในจิตและเจตสิกฌานที่มีนัตถิภาวะบัญญัติเป็นอารมณ์เรียกว่าอากินจัญญายตนะหนอยหนึ่งก็ไม่มีนัตถิกินจิตหนหนึ่งก็ไม่มีฌานที่มาอากินจัญญายตนะเป็นอารมณ์อีกครั้งหน่ะนะ อันนี้เรียกว่าเนวะเนวะสัญญาวิญญาณัญจายตนะก็มีมีวิญญาณเป็นอารมณ์เนวะสัญญาก็มีวิญญาณเป็นอารมณ์พวกนี้เรียกว่าวิญญาณกสินก็เป็นกสินเหมือนกันเนี่ยะก็เรียนเรียนเอาไว้เรียนเอาบุญก็ยังดีเวลาไปอ่านอะไรนะอ่านประวัติเทระคถาเทรีคขถาท่านมีฤทธิ์มีฌานท่านเข้าวิโมกอะไรเราก็จะได้อ๋ออย่างนั้นเออ ออกกับท่านบ้างแล้วยังดีเดี๋ยวไม่ใช่โอ้โหทานอาจะเห็นปั๊บอ่านฐานมดไม่รู้เร mm, anyway, ื่องสักอย่างท่านบอกว่าจิตที่รู้อากาสารนันจายตนะชานวิญญาณนันจายตนะชานที่มีอากาสารนันจายตนะชานนั้นเป็นอารมณ์เชื่อว่าวิญญาณกสินเนี่ยนะก็ไปเจริญเอานะพวกกสินสิบเหล่านี้เนี่ยก็พูดอีกในหนึ่งเลยก็คือสมาบัติแปดก็ไม่ผิดอะไร คำว่ากสินสิทธิ์เนี่ยนะถ้าพูดอีกในหนึ่งก็คือตัวสมาบัตแปดแต่เป็นสมาบัตที่ยกอารมณ์ขึ้นมาแสดงพูดโดยอ้อมก็รู้กันใช่ไหมพูดโดยอ้อมพูดแต่อารมณ์ก็หมายถึงพูดตัวฌานอยู่แล้วเพราะว่าตัวอารมณ์ของฌานเนี่ยนะโดยมากเป็นบัญญัติอารมณ์ไม่สามารถตระมวนลงอริยสัจได้บัญญัตินะสองข้อลงอริยสัจไม่ได้ คือสงสัยว่าอาสิ่งที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยนะฮะกสินพวก็รจะมาบทแปดนี่ใช่ไหมฮะควรรู้ยิ่งออันนี้เนี่ยที่สแสดงไว้หมายความว่าหมายความว่าสําสหรับกับบุคคลที่เขาจําเป็นต้องต้องมีสิ่งนี้มาทําปริญญาถูกไหมครับเล น, นคนที่ได้คนที่ได้แล้วเนี่ยนะ ซึ่งสมัยพุทธกาลเนี่ยมีไม่น้อยนี่นะฮะมีไม่น้อยในขณนะเดียวกันเนี่ยคนที่ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็สรรเสริญให้เจริญครับมีในในเอกาณิบาตเนี่ย ใ, ในเอกาณิบาตเนี่ยพระองค์ยกพวกกสินเหล่านี้ขึ้นมารสรรเสริญว่าพระพิสุทธ์ที่เจริญกสินเหล่านี้เนี่ยก็ชื่อว่าบริโภค ป, ปัจจัยสี่ของชาวแมงแคว้นโดยที่ไม่เปล่าประโยชน์เนี่ยนะพระองค์ก็สรรเสริญยกว่า ผู้ที่เจริญกสินเป็นต้นก็คู่ควรกับการบริโภคปัจจัยสี่ของชาวแ ว, นว่นแควนซึ่งก็การแสดงในอภินยิยธรรมนะี่ก็มุ่งเอาทั้งว่าคนที่ยังไม่เคยเจริญก็จะได้เจริญคนที่เจริญแล้วก็จะเอากสินเอาฌานเหล่านั้นมาทําปริญญาเนีนะก็จะได้มาวิเคราะห์เจาะลึกต่อไปเพราะว่ากสินเหล่านี้เนี่ยนะมันถือว่าเป็นการทักผ่อน เป็นผู้ที่ได้กสินเหล่านี้ถ้าได้ฌานนะก็เป็นทิฏฐธรรมะสุขาวิหารธรรมถ้าเป็นรูปกสินะระดับรูปฌานเรียกว่าสุขาวิหารธรรมถ้าเป็นระดับอรูปฌานเรียกว่าสันตาวิหารธรรมธรรมที่สงบนะนะั่นแหะแต่ทีนี้คนที่ไม่ได้ก็อย่างว่านะเรียนธรรมะเนี่ยอะไรไม่ได้ก็ตามให้เห็นคุณพระรัตนตรัยไว้ก็ยังดีนะให้เห็นพระพุทธคุณว่าเช่นเรียนวิโมกข์แปด อภิพาญตนะ8ปดเนี่ยก็คือพวกคุณธรรมเหล่านี้นั่นแหละเราจะได้รู้ว่าพ่อองค์เนี่ยมีวิโมก8ดมีอภิพาญตนะแปดเวลาไหว้พระก็ยังได้นึกถึงตรงนี้ได้ก็ยังดีใช่ไหมเห็นพุทธคุณหรือเห็นพระธรรมคนที่เจริญอย่างนี้ได้เนี่ยขณะนั้นราคาเป็นต้นก็ไม่ฉาบท า, าบาป<ม>อากุศลก็ไม่เกิดแล้วก็คุณธรรมเหล่านี้มีพร้อมในพระอริยาสาวกทั้งหลาย มาพูดถึงอาการสาสิบสองเนี่ยนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตเป็นต้นนี้ก็คงก็ห้องเราก็เรียนผ่านกันมาแล้วเนาะก็ถ้าคงเคยเรียนมาบ้างก็คงผ่านไปเลยไหมถนัดมากผ่านยนะมาดูอายตนะนัสิบสองดีกว่านะเพราะว่าสมัยใหม่ก็เกี่ยวกับเรื่องอาการสามสิบสองเนี่ยนะก็มีรูปมีภาพมีอะไรประกอบซึ่งชัดเจนอยู่แล้วในยุคนี้มาดูอายตนะนสิบสองเลยดีกว่า วิสัชนาสิบสองมีจักขวายตนาเป็นต้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรแสดงด้วยามสา ม, มารถอายตนาสิบสองคืออายตนาเพราะสืบต่อชื่อว่าอายตนาเพราะสืบต่อแห่งการมาและชื่อว่าอายตนาเพราะนาไปนำไปซึ่งการสืบต่ออายตนานี่แปลว่าสืบต่อแปลว่าสืบต่อมาแล้วก็สืบต่อไปเ อ, อมาก็อย่า ง, งั้นไงมันก็มาใช่ไหม มาเนี่ยจนมานั่งเนี่ยแล้วก็จะไปต่อนะสืบมาแล้วก็สืบไปจําง่ายๆก็ได้นะ่ะอัยตนะบอกสืบมาก็สืบไปนี่แหละถามว่าอะไรสืบมาสืบไปก็บอกว่าจิตเจตสิกในบรรดาจักขู่และรูปเป็นต้นเป็นทวานและเป็นอารมณ์นั้นๆย่อมมาย่อมตั้งขึ้นย่อมสืบต่อคือย่อมพยายามโดยกิตของตนของตนมีการเสวย อ, อารมณ์เป็นต้นและมีคําอธิบาย ท่านกล่าวไว้อีกว่าก็ธรรมะคือจิตและเจตสิกเหล่านั้นย่อมแพ่ไปสู่ธรรมะเหล่านั้นในธรรมะอันเป็นทางมาก็ชีวิตในวัฏฏะที่เราดําเนินกันมาก็สืบต่ออาศัยอายตนาภายในอายตนาภายนอกเกิดวิญญาณที่เป็นทวารหกอารมณ์หกวิญญาณหกภาษาเวทนาที่มันสืบมาเนี่มันสืบมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าจะสืบต่อไปข้างหน้าก็สืบไปอย่างนี้แหละมันเชื่อมโยงประสานกันอยู่อย่างนั้นน่ะ มันก็เลยเรียกว่าสืบมาสืบไปก็คือจิตเจตสิกนั่นแหละจิตเจตสิกนั้นก็คือวิญญาณหกภาษาหกเวทนาหกสัญญาหกนะพวกนั้นแหละที่สืบมาแล้วก็สืบไปไลไปอย่างไงเนีเมื่อไหร่จะดับข้อไม่รู้เนี่ยแต่ถ้าดับโดยคณิกะมันก็ดับทุกขณะอยู่แล้วถ้าดับโดยสมมุติก็แค่เปลี่ยนภพซึ่งก็เกิดอีกซึ่งจะเรียกว่าสิ่งนี้นะถ้าพวกศาสนาทิฏฐิเขเลยเรียกว่าพวกไอ้นี่มันอมะตะ พวกสัตวา ท, ที่ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอมาตะมันตายไม่เป็นนะพราะระลึกชาติไปเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันก็ยังอยู่อะ่ะระลึกชาติได้เป็นแสนกลับเนี่ยนะก็ยังยังอยู่เลยอะแต่พวกเดียร์ทีระลึกได้ไม่เกินสี่สิบกัปนั่นนะ่ะวันนี้ระลึกได้ตั้งสี่สิบกัปมันก็ยังอยู่อีกนั่นแหละมันก็เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเที่ยงอันนี้ถ้าถ้าเข้าใจผิดนะก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่จริงๆมันก็คือ ลำดับแห่งอายตนะเนี่ยมันสืบต่อเชื่อมโยงโดยความเป็นเหตุเป็นผลอย่างเนี้ยสืบไป